มันมีคำอยู่2คำนะที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเวลาเราสวดเดยเพราะอนัตตลกนัสูตรแล้วก็มหาสติปฐานสูตรคือธรรมที่เป็นภายในบ้างธรรมที่เป็นภายนอกบ้างนะภายในก็อชตาภายนอกก็พิชิตาอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราสาธยายเรื่องขัน5 รูปที่เป็นภายในบ้างรูปที่เป็นภายนอกบ้างเวทนาที่เป็นภายในบ้างภายนอกบ้างสัญญาที่เป็นภายในบ้างภายนอกบ้างเป็นต้นเนี่ยเวลาสวดมหาสัจปัฏฐานสวดก็จะมีอยู่ช่วงหนึงที่พูดว่าให้พิจารณากายในกายที่เป็นภายในบ้างพิจารณากายในกายที่เป็นภายนอกบ้าง อันนี้ก็ไม่ใช่กายอย่างเดียวนะเวทนาจิตธรรมก็ให้พิจารณาทั้งเวทนาจิตธรรมที่เป็นภายในแล้วก็พิจารณาเวทนาจิตธรรมที่เป็นภายนอกบ้างหลายคนคงสงสัยว่าหมายถึงอะไรถ้ารูปภายในรูปภายนอกที่พอๆเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นเวทนาภายในเวทนาภายนอก หรือจิตภายในจิตภายนอกมันแปลว่าอะไรอันนี้ก็ไม่มีการขยายความนะในในพระสูตรที่เราได้สวดแต่ว่าก็มีผู้รู้นะก็ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งจากอัตถกถาอัตถกถาคือคำพีที่ใช้อธิบายพระไตรปิฎกแล้วก็จากอภิธรรมปิฎกเนี่ยเาก็ สรุปให้เป็นแง่คิดที่น่าสนใจนะว่าที่ว่าภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายภายในก็ตามเวทนาจิตธรรมภายในก็ตามเนี่ยหมายถึงตัวเรากายเวทนาจิตธรรมของเราส่วนกายเวทนาจิตธรรมภายนอกนี่หมายถึงกายเวทนาจิตธรรมของผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจเพราะว่า มันมีการตีความแตกต่างออกไปบางคนก็ตีความว่ารูปภายในก็คือสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยนะเช่นแขนเช่ข น, ชขนข า, นาปากจมูกหูอันนี้รูปภายในส่วนรูปภายนอกคือหัวใจตับปอดที่มันอยู่ข้างในแล้วก็อ่าร้อยเวทนาลนะ่ะเวทนาภายในเวทนาภายนอกหมายถึงอะไรก็มีการพยายามอธิบายว่าเวทนาภายนอกภายนอกคือ เวทนาทางกายเวทนาภายในคือเวทนาทางใจอ่าแล้ะทำภายในทำภายนอกคืออะไรก็มีการอธิบายว่าทำภายในมาถึงธรรมารมณ์นะก็หมายถึงทำมมะนะงทำธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจความงวงเงาหานอนนะแต่ถ้าเป็นทำภายนอกก็มายถึงธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดจาก การกระทบจากวัตถุภายนอกเช่นความโกรธความโลภเนี่ยได้ยินคนต่อว่าก็โกรธเห็นสิ่งน่าพึงพอใจอ ร, อร่อยอรก็อยากนะีอันนี้เรียกว่าทำภายในแต่ว่ามาพิจารณาดูแล้วนะท่านพูรุท่านก็บอกว่าอันนี้ยังยังไม่ใช่การตีความที่ถูกต้องจะตีความที่ถูกต้องเนี่ย เขาก็เอาหลักถาน ม, มายืนยันว่าเนี่ยไอ้่าภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคือของเราส่วนกายเวทนาจิตธรรมภายนอกเนี่ยก็หมายถึงของคนอื่นนะคือที่อยู่รอบตัวนั้นก็มีปัญหาขึ้นมามีคําถามขึ้นมาว่างั้นพิจารณากายในกายที่เป็นภายในเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะว่าเออมันพิจารณาได้นะ พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเองพิจารณาอาการทางจิตที่เกิดขึ้นในใจเราเองเนี่ยหรือว่าพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเราในใจเราเนี่ยเราก็พอจะรับรู้ได้โดยใชยสติโดาใช้สติรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราจะไปรู้กายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นได้อย่างไร ไอ้รู้กายของคนอื่นนี่ก็ยังพอมองเห็นนะด้วยตาแลว้วเวทนาจิตธรรมละ่ะท่านอธิบายว่าก็ใจอาศัยการสังเกตได้อาศัยการสังเกตไม่ต้องถึงกับนั่งทางในไม่ไปต้องนั่งทางในหรือว่ารู้วารจิตหรือว่ามีหูทิพตาทิพที่จะไปอย่างรู้ว่าตอนนี้เขาเจ็บปวดสุขทุกข์แค่ไหนหรือว่าเขามีความโกรธความไม่พอใจความเหงาความเศร้าหรือไม่เ้ามีนิวรห้าเกิดขึ้นหรือเปล่า ไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้กายทิพย์ไม่ต้องใช้ตาทิพย์ก็ได้แต่ว่าใช้การสังเกตเอาสังเกตด้วยตานะสังเกตด้วยหูนะหรือว่าการสังเกตด้วยอิริณะทั้งหมดของเราเนี่ยก็พอจะรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมภายนอกหรือกายเวทนาจิตธรรมของอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรอนี้คําถามก็คือมาว่าเรารู้ไปทําไมนะ ไอ้ที่รู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าทุกมันเกิดขึ้ น, นก็จากการที่เราเกี่ยวข้องกับกายเวทนาจิตธรรมในตัวเรานี่ไม่ถูกต้องนะเช่นลืมกายลืมใจนะความทุกข์เกิดขึ้นจากการลืมกายลืมใจไม่ได้ลืมกายลืมใจของใครลืมกายลืมใจของตัวเองนั่นแหละคือไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวแต่การที่จะไปรู้ กายเวทนาติตธรรมของคนอื่นเนี่ยมันเพื่ออะไรมันจะไม่ใช่เป็นการส่งจิตออกนอกหรืออันนี้ก็มีคําอธิบายว่าที่ให้เราเนี่ยใส่ใจกายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อส่งจิตออกนอกจนลืมใจลืมกายลืมใจแต่เพื่อที่จะรู้ว่าการกระทําของเราเนี่ยมันไปส่งผลต่อคนอื่นได้อย่างไรบ้างนะ ถ้าเราสนใจแต่กายเวิท า, าจิตธรรมของตนของตัวเองเนี่ยมันจะกลายมันอาจจะกลายเป็นการสนใจแต่ตัวเองหรือเอาตัวเองเปศูนย์กลางอาจจะพลัดตกไปในในกับดักนี้ก็ได้แต่ถ้าเราใส่ใจนะในกายเวิท า, าจิตธรรมของคนอื่นคนที่รอบข้างเราคนที่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ทําให้เราตระหนักว่าเราได้ทําเราได้สร้างปัญหากับคนอื่นหรือเปล่า เพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราสร้างปัญหาให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะถ้าเราสนใจแต่ตัวเราเองเราก็จะไม่รู้ว่าการกระทําของเราเนี่ยมันไปก่อปัญหากับคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะหรือตระหนักรู้ในกายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นมันก็จะทําให้เราเนี่ยระมัดระวังเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่น ไอ้เรื่องการสร้างปัญหานี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปพูดหรือไปกระทํากับเขานะบางทีมันมันส่งผลไปให้กับคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้ตัวเราอา จ, จะเช่นเวลาเราเอารมณ์ขุนมัวเนี่ยนะเวลาอารมณ์ขุนมัวเนี่ยให้คนที่อยู่รอบข้างเราก็อา จ, จะพลอยได้รับความขุนมัวไปด้วยโดยที่เราอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยโดยที่เราจะไม่ได้ทําอะไรเขาเลย อันนี้ก็เท่ากับว่าเราไปเราไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาก็ได้แล้วคำอธิบายนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มันก็มีมันก็มีมูลความจริงอยู่นะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราสร้างปัญหาคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันก็มีการซึมซับรับเอากุศลธรรมจากคนอื่นคนที่รอบข้างไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกชื่อสมมติชื่อปูเป้แล้วกัน ก็แต่งงานผู้ชายคนหนึ่งนะก่อนที่จะแต่งงานเธอก็คิดว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายในฝันก็เป็นเป็นคนที่ผูจาา้จ่าไพเราะเอาใจใส่ดูแลนะแฟนคือคู่รักการศึกษาก็สูงเธอก็เลยเลือกนะเป็นคู่ครองแล้วก็แต่งงานด้วยแต่พออยู่กันได้สักพักหนึ่งนะก็ไม่ทึงถึงปีนะผู้ชายานี้ชื่อเอกมาสมมติชื่อเอกเนี่ย ก็เริ่มแสดงอาการก้าวร้านวะทีแรกก็เริ่มจากการที่ไม่ค่อยกลับบ้านหรือกลับบ้านดึกนะพอภรยาทักท้วงก็ไม่พอใจแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงตอนหลังก็ถึงกับลงไม้ลงมือเลยนะใช้กำลังนะกับภรรยาแภรรยานี่ผิดคาดมากเลยนะ ตอนแรกเนี่ยแต่งงานผู้ชายคนนี้คิดว่าเขาเป็นชายในฝันนะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงตัวออกมาในภายหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่ก็ยังคิดว่าถ้ามีลูกแล้วนี่คงจะดีขึ้นนะแต่ว่ามีลูกแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะการใช้ความรุนแรงก็ยังมีขึ้นเธอท้องคนที่สองเธอท้องลูกคนที่สองนะเอกนี่ก็ใช้กําลังกับเธอได้ซ้ําจนทำให้พอคลอดออกมาเธอก็ถึงจุดหนึง่งเธอก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว ย้ายดีกว่าวันที่เอกเผลอนะก็หอบลูกแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติขนเสื้อผ้าเพื่อจะหนีไปอยู่ที่อื่นมา เ, เอินแม่ของเอกเห็นนะแม่ของสามีเห็นรู้เข้าก็ขอร้องมาขอให้อยู่เถอะนะครูเปลกบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วนะใช้ความรุนแรงกับหนูแม่ภรรยาแม่สามีก็บอกว่าขอหเห็นใจนะ เอกเนี่ยเขาก็จริงๆเนี่ยเขาก็มีปมในจิตใจนะก็คือว่าพ่อเขาเนี่ยก็เคยทําร้ายใช้ความรุนแรงกับแม่พ่อนี่ใช้ความรุนแรงกับแม่ทุบตีแม่ไอ้ปมนี่มันก็อยู่ในใจเขาเราก็เลยเป็นคนก้าวร้าวและความก้าวร้าวนี้ในท่สุก็มาแสดงออกกับกับตัวปูเป้ปูเป้ได้ฟังนี่ก็ ได้คิดขึ้นมาเลยนะมันถูกคิดขึ้นมาเลยเพราะว่าไอคา้ความความรุนแรงความก้าวร้าวของของของพ่อเอกเนี่ยมันก็ถ่ายเทมาที่ตัวเอกเอกนี่ไม่ชอบพ่อนะเพราะพ่อนี่ทําร้ายแม่แต่ว่าก็ซึมซับเอานิสัยของพ่อมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มามาใช้มาระบายกับกับภรรยาก็คือปู่เป แล้วเขายังปู่เป้งเห็นต่อไปเรื่อยว่าเนี่ยไอ้วงจรมันไม่ได้หยุดที่แค่นี้นะเพราก็สังเกตว่าลูกของลูกของเขาเนี่ยอายุแค่ไม่กี่ขวบเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วปัญหาไม่ได้เกิดจากการที่เห็นแม่เห็นพ่อแม่ทุบอ่าเห็นพ่อทําร้ายแม่จกนกระทั่งละเมอกลางคืนนะแต่ว่าไอ้ความรุนแรงความก้าวร้าวของลูกเนี่ยมันก็เริ่มแสดงตัวออกมาคือไปทะเลาะต่อยตีกับเพื่อน ความรุนแรงความก้าวร้าวของปู่ก็ถ่ายทอดมาที่พ่อจากพ่อก็สายทอดมาที่ลูกโดยที่ไม่ได้มีการสอนเลยนะแต่ว่ามันเป็นการซึมซับว่ blanc, ที่น่าแปลคือว่าเอกนี่ก็ไม่ชอบความรุนแรงของพ่อนะแต่ก็ซึมซับเอาความรุนแรงของพ่อเข้าไปลูกนี่ก็ไม่ชอบความรุนแรงของเอกนะกลางคืนก็ฝันร้ายแต่ก็ซึมซับเอาความรุนแรงของพ่อเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะ ปู่เป๊ะเขาก็เห็นเลยนะว่าความรุนแรงนี่มันถ่ายทอดกันนะเป็นจากปู่สู่พ่อจากพ่อสู่ลูกนะันแล้วมันคงจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆแล้วเธอก็เลยคิดว่าเนี่ยอยากจะยุติไอ้อวัฏจักรความรุนแรงนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ย้ายไม่หนีก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะอเอาชนะชนะใจของเอกนะก็ในสุดก็ชนะใจได้สําเร็จนะอ่า ะเอกก็กลับมาเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลครอบครัวส่วนลูกแล้วก็นิสัยก้าวร้าวก็ค่อยๆเลือนหายไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่านิสัยหรือว่านิสัยใจคอหรือความหรือว่าความก้าวร้าวความโกรธเนี่ยมันสามารถที่จะแผ่ไปสู่คนอื่นได้เมื่อในกรอเป็นคนที่มีความก้าวร้าวเนะ เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงมันก็สามารถจะแผ่ไปสู่คนที่อยู่ใกล้ตัวได้เช่นแผ่ไปให้ลูกตอนนั้นที่ลูกก็ไม่ชอบนะลูกไม่ชอบพ่อที่พ่อทำลายแม่แต่ลูกก็ซึมซับเอาความรุนแรงนี้ไปโดยไม่รู้ตัวคนเรานี่สามารถจะถ่ายทอดนะความไม่ดนะีให้แก่คนอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะ เป็นผู้ที่หมั่นดูจิตดูกายดูใจของตัวเองแล้วก็ดูดูคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็จะส า, สามารถจะรู้ว่าเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าว่าเรารู้ว่าเออคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังแผ่หรือว่าถ่ายทอดนนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูกเนี่ยสังเกตจากอาการของลูกว่าไอ้ลูกนี่ชักจะมีนิสัยก้าวรารุนแรง นะตัวเองก็ จ, จะกลับมาปรับปรุงตัวเองนะไม่ให้ไม่ให้แสดงความก้าวร้าวออกมาหรือว่าไม่แสดงความขิดโกรธแค้นออกมาเพราะว่ารู้รู้ว่ามันก็จะส่งผลไปถึงคนที่อยู่รอบข้างเช่นลูกได้เรืองนี้นก็แปลกนะการกระทําบางอย่างเราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบการกระทําของพ่อที่ทําร้ายแม่ แล้วก็เกียดพ่อด้วยที่เห็นพ่อทำลายแม่แต่เราก็ซึมซับรับเอานิสัยของพ่อไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่ชอบพ่อนะแต่ว่าสามารถจะมักสามารถจะซึมซับเอานิสัยไม่ดีของพ่อมาแล้วก็ไปถ่ายเทให้กับคนอื่นต่อไปอันนี้มันแสดงเห็นชัดเลยว่าเราเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านหรือถ่ายทอดจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นก็ได้ แล้วเราก็สามารถจะสร้างบาปกรรมให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะโดยที่เราไม่ได้ทำร้ายเขาเลยนะแต่เพียงแค่เราไปกระทํากับคนอื่นหรือเพียงแค่เรามีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวไอ้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารักนะก็จะสามารถซึมซับไปได้การที่สังเกตคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ได้เป็นกระจกสะท้อนเห็นตัวเองนะแล้มีกรณีหนึ่งน่าสนใจนะแม่นะแม่แม่คนหนึ่ง มีลูกอายุประมาณสักสิบเสบสองขวบที่รักลูกก็น่ารักนะแต่พอลูกโตขึ้นอายุสิบสิบสองเนี่ยลูกก็เริ่มเหินห่างจากแม่ลูกมีหาไรปัญหาอะไรลูกก็ไม่พูดกับแม่จนกระทั่งแม่นี่ไปได้ไปได้รับรู้เรื่องราวของลูกว่าลูกเนี่ยนะถูกเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนลูกก็ลูกก็มีความทุกข์มาก แม่ก็แปลกใจว่าทำไมลูกเนี่ยมีความทุกข์เวลาไปโรงเรียนทาไมลูกเนี่ยไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยนะคนที่เป็นแม่ก็เสียใจนะว่าทำไมลูกมีปัญหาแล้วเนี่ยทำไมไม่พูดไม่เล่าให้แม่ฟังมันก็มีความน้อยเนื้อต่าใจนะมีความเสียใจก็วันหนึ่งก็ไปปรึกษาเพื่อนนะซึ่งก็รู้จักลูก แล้วก็รู้จักตัวเธอดีคุยไปคุยมาเธอก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่ลูกเนี่ยไม่คุยกับเธอเนี่ยมันก็เป็นอย่างเดียวกับที่เธอเนี่ยตอนที่เป็นเด็กๆหรือเป็นสาวแล้วเนี่ยก็ไม่คุยกับพ่อเหมือนกันสิ่งที่ลูกทำกับเธอเนี่ยนะคือเหินห่างมังเมินไม่พูดไม่คุยมีอะไรไม่บอกเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกับที่เธอปฏิบัติตัวตอนที่เธอยังเด็ก นะเธอเธอไม่คุยกับพ่อนะมีปัญหาแล้วก็ไม่พูดไม่คุยนะเธอก็ถามตัวเองว่าเอ๊เป็นเพราะอะไรทําไมเราเนี่ยตอนเด็กๆหรือตอนเป็นสาวเราไม่คุยกับพ่อเราอยากจะไม่อยากจะอยู่ใกล้พ่อหรือไม่อยากจะเวลาอยู่กับพ่อก็สึกอึดอัด ก, ก็พบว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบจูจ้จี้ชอบจูจ้จี้เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจนะมอง แล้วก็ชอบใช้อํานาจกับลูกใช้อำนาจกับลูกสาวนะลูกสาวก็เลยไม่อยากอ ย, กอยู่ใกล้ชิดพ่อแล้วก็เขินห่างแล้วเธอก็ได้คิดต่อไปว่าเอ๊ะการที่พ่อเนี่ยมีนิสัยแบบนี้ทําอย่างนี้กับเธอเนี่ยเช่นจู้จี้ใช้อํานาจเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันที่เธอทํากับลูกมันก็แปลก น, นะเธอไม่ชอบพ่อนะที่เธอที่พ่อเนี่ยมาจู้จี้หรือว่ามาใช้อํานาจกับเธอ แต่ว่าเธอรับเอานิสัยของพ่อเนี่ยแล้วไปทํากับลูกผลก็คือว่าลูกปฏิบัติกับเธอเนี่ยเหมือนกับเธอปฏิบัติกับพ่อเลยเนะมันแปลกนะมันถ่ายทอดกันได้แล้วเธอก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นพ่อเธอไปเอานิสัยของพ่อมาทั้งที่นิสัยเนี้มันสร้างปัญหากับเธอเธอไม่ชอบนิสัยนี้แต่เธอก็ซึมซับแล้วเอานิสัยของพ่อมาแล้วก็มาทํากับลูกเธอก็รู้แล้วว่าเนี่ย ปัาของลูกเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากไหนไมันมาจากตัวเธอเธอก็เลยเริ่มที่จะปรับปรุงตัวเองนะพยายามที่จะให้เวลาลูกพยายามที่จะอ่าพูดคุยกับลูกดีๆไม่ใช่อำนาจนะแล้วก็ไม่เอาแต่ขี้ไม่เอาแต่บน่นไม่เอาแต่จูจีพยายามฟังลูกให้มากขึ้นพู้ง่ายคือทําสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พ่อเคยทํากับเธอพ่อไม่ฟังเธอเลยนะ แต่เธอก็พยายามพยายามฟังลูกมากขึ้นสุดท้ายตอนหลังนะั้นลูกก็กลับมามาใกล้ชิดกับเธอนะั่นแล้วก็คุ้นเคยกันสนิทสนมกันเรื่องนี้นะก็เหมือนกับเรื่องปูเป้นะกับเรื่องของเอกเนี่ยก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ชอบนิสัยบัญญยติของพ่อที่เราไม่ชอบนะเรากลับไปรับเอามาโดยไม่รู้ตัว แะสิ่งที่เรากระทํากับพ่อเนี่ยในสูตรเนี่ยลูกก็กระทำกับเราเมือนกฎแห่งกรรมเลยนะเราทํากับพ่ออย่างไงลูกก็ทํากับเราอย่างนั้นฟังดูเพลินเพ น, นเนี่ยมันเหมือนกฎแห่งกรรมนะแต่จริงมันมีสาเหตุนะที่อธิบายได้ก็เพราะว่าอแม่นี่ยนะไปไปรับเอานิสัยที่ไม่ดีของพ่อมาเสร็จแล้วก็มาทํากับลูกนะลูกก็เลยนะเผินห่างมังเหมือน กับเธอเหมือนกับที่เธอเหินเหินห่างมังเหมือนกับพ่ออันนี้เห็นได้เลยนะว่านิสัยคนเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะส่งผ่านหรือถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้ในกรณีของแม่คนนี้เนี่ยเข้ามาเริ่มเห็นตัวเองเนี่ยจากการที่สังเกตสังเกตนิสยัยหรือการปฏิบัติตัวของลูกถ้าเธอไม่สังเกตนะเธอคงไม่รู้ตัวนะ แล้วทำให้เธอเนี่ยเริ่มระมัดระวังตัวแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัตินะในทางที่ทำให้เนี่ยลูกนี่กลับค่อยๆเปลี่ยนนะเป็นเป็นคนดีเพราะนั้นการที่เอ่อการที่เอ่อพระสูตรนะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะเขาสอนว่าให้เราเนี่ยพิจารณาทั้งตัวเราไม่ว่าเป็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พิจารณา กายเวทาจิตธรรมหรือว่ า, าสิ่งที่เป็นไปนะของคนรอบข้างเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเรารู้จักมองคนอื่นมันก็เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเราเองก็ทำให้เรามีการปรปับปรุงตัวเองและขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้เราระมัดระวังที่จะไม่ไป ทำให้คนอื่นเนี่ยมีความทุกข์หรือว่ารับเอาขยะอารมณ์หรือว่านิสัยไม่ดีจากเราไปเะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันก็ที่เขาบอกว่าที่เขาอธิบายว่าเนี่ยเห็นพิจารณากายในกายภายในบ้างหรือพิจารณากายในกายภายนอกบ้างคือการเห็นกายของเราเองกับการเห็นกายคนอื่นนี่มันสําคัญเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของการ ภาวนาชั้นหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราดูคนอื่นให้ดีนะเราก็จะรู้ว่านะเราปฏิบัติตัวอย่างไรเรามีนิสัยอย่างไรได้แล้วถ้าเรามองต่อไปนะก็คือว่าในเมื่อเรารู้ว่าการกระทาของเรานิสัยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผ่านถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยแทนที่จะ ปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีของเราเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นเราก็พยายามทําสิ่งดีๆเพียงแค่เราพยายามดูแลจิตใจของเราให้ดีควบคุมนิสัยอารมณ์ของเราให้ดีรู้ทันความรู้สึกนึกคิดนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยพลอยได้รับอนิสงส์ของการที่เรามีมีสติ หรืออาจจะรวมถึงการที่มีเมตตากรุณาด้วยอันนี้ก็มันก็สอดคล้องกับที่ผู้เจ้าเคยตรัสเป็นะว่าเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นนะเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นเท่าก็เท่ากับรักษาตนการรักษาตนเนี่ยนะรักษาตนด้วยสติปัฏฐานนะมันก็เท่ากับช่วยรักษาคนอื่นได้เรื่องนี้ก็มีความเป็นมานะผู้เจ้าก่อนที่จะพระองค์จะ จะพูดตรงนี้พุทเจ้าก็เคยเล่าถึงนักกยกรรมที่เป็นอากับหลานเป็นอาจารย์กับศิษย์ไอ้กยกรรมนี้เนี่ยเป็นกยกรรมแบบให้ให้หลานหรือว่าศิษย์เนี่ยขึ้นไปบนลําไม้ไผ่แล้วก็เลี้ยงตัวอยู่บนคอของอาจารย์หรือว่าผู้เป็นอาอาจารย์ก็บอกว่าเธอดูแลฉันนะ ส่วนฉันก็จะดูแลเธอเมื่อทำเช่นนี้น ะ, ะการศิละปะของเราก็จะสําเร็จผลนะเราก็จะได้เงินแล้วก็จะกลับมาโดยก็จะลงมาโดยปลอดภัยแต่ลานหรือเศรษฐีเนี่ยฉลาดกว่าฉลาบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะเอาเป็นว่าเราเราต่างคนต่างดูแลตัวเองดีกว่าเมื่อเราดูแลตัวเองให้ดีนะการ ทำศิละปะของเราก็จะสําเร็จนะปลอดภัยลงมาได้โดยสวัสดีแล้วก็ได้เงินด้วยจากนักพุทจาก็เลยตัดนะเป็นคาถานี่ยว่าเมื่อรักษาตนก็ทักการรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ท่ากับรักษาตนรักษาต น, าตนนะด้วยการทําให้มากด้วยการปฏิบัติทําให้เจริญรักษาผู้อื่นด้วยการมีขันติมีอวิหิงสาอาวิหิงสาคืออหิงสานั้นเองมีความเมตตากราุณาอดทนต่อผู้อื่น เสร็จแล้วพงศ์ก็ตัดว่าเนี่ยรักษาตนด้วยการเจ ร, z, จริญสติปัฏฐานและรักษาผื่นด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็เป็นทั้งการรักษาตนด้วยแล้วก็เป็นการรักษาผูอื่นด้วยนะมาไม่ได้แยกกันนะมาไม่ได้แยกว่ารักษาตนกับรักษาผู้ืนแยกกันให้ถ้ารักษาตนาให้ดีนะแล้วขณะเดียวกันอ่าเราก็คอยสังเกตนะ คนอื่นไปด้วยว่าการรักษาตนของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องไหมมันก็ช่วยทำให้เราไม่ไปสร้างปัญหากับผู้อื่นได้เพราะว่าการทำของเราหรือว่านิสัยใจคอของเราอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็สามารถจะส่งผลต่อคนอื่นได้แต่เราจะไม่รู้อาจจะรู้ไม่ชัดนะถ้าเราไม่สังเกตคนอื่นด้วยนะว่า การกระทำของเรานี่ใสใจเขาใจคองเราเนี่ยมันส่งผลได้กับคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการเจริญสติปัสสัประฐาน4นี่เนี่ยนอกจากการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของตนเองที่ท่านเชิญมาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมภายในแล้วเนี่ยเราก็ควรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมภายนอกหรือกายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นการอธิบายนะที่ ที่คิดว่าน่าสนใจนะที่ช่วยทำให้เราเข้าใจเลยนะว่าภายในภายนอก ok เนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรอันนี้ก็เป็นคำอธิบายหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเออมันมีมันก็มีเหตุมีผลนะการที่เราดูการที่เราสังเกตคนอื่นได้เนี่ยการที่เราสังเกตคนอื่นด้วยเนี่ยนะมันก็มีผลช่วยในการที่ทำให้เรากลับมาดูกลับมารู้ทันรู้จักตัวเองแล้วก็ทาให เราไม่ไปก่อปัญหากับคนอื่นเหมือนอย่างที่แมนะ่คนที่ว่าเนี่ยเขาสังการที่เขาสังเกตพฤติกรรมของลูกที่ที่มันแปลกๆเนี่ยมันทําให้แกเนี่ยทำให้แม่กลับมาปรับปรุงตัวเองเนะจึงก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องทางโลกนะแต่ว่าในเรื่องทางธรรมนั้นก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะเพราะว่าหน้าที่ของเรา ใฐานะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมก็คือการที่เราฝึกฝนพัฒนาตนด้วยแล้วก็ไม่สร้างนอกจากไม่สร้างปัญหากับผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ยังควรเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พูะเจ้าตรัสว่าเนี่ยรักษาตนเอกับรักษาผู้อื่นเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคำนี้ก็พูดเท่านี้นะกราบพระ